เป็นผู้ถึงประวัติของพระเถระองค์สำคัญในประวัติศาสตร์ทุกศ า, าสนาของจีนคือท่านสมณะเทียนจังผู้ได้ขึ้นตอนแต่เนี้ในวันนี้เราจะได้ดำเนินอนุสรณ์ถึงต่อไปจากคราวที่ที่พูดมาแล้วนะครับคือพระธรรมเหียรจีงเนี่เมื่อใช้ชีวิตท่านในอินเดียเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยตามสำนักขณ า, าจารย์ต่างๆปรากฏว่าชีวิตประวัติของท่านนอกจากจะเป็นที่เชิดชูในหมู่ชาวพุทธในอินเดียในครั้งกันนั่นแล้ว แม้แต่พระมหาสษัตรต่างนคร ก, ก, ก็ยังแย่งกันที่จะเป็นโยอุปถาของท่านโยอุปถาของท่า น, นคนสําคัญก็คือพระจักรพรรดิศรีราทิตรยะหรือเหลี่ยกนบพระเจ้าหันจาวันธนะสษัตรแห่งแคว้นกะนาซึ่งเป็นมหาราชาในอินเดียผู้มีบุญญาธิการมากแห่อนุภาพไปทั่วทั้งอินเดียปักเหนือปักใต้ตะวันออกตะวันตกอีกองหนึ่งคือพระเจ้าสุมาลราชา กษัตริย์แห่งแคว้นอัสสัมในแคว้นในองกรปัจจุบันนี้กษัตริย์ทั้งสองพระองค์เนี่ยต่างพากันแย่งแย่งจะเป็นโยเอกฐาของท่านเหื sure ่อนจังถือดับพระเจ้ากุมารราชาท้าทายพระเจ้าศรีราพิษว่าถ้าพระองค์จะแย่งสมณะจีนรูปนี้จากข้าพระองค์แล้วพระองค์จะจงแย่งศีระของข้าพระองค์ไปซะก่อนพระเจ้าศรีราพิษจึงฟังเชนั้นก็กริกราบบอกว่าเอาละถ้าอย่างนั้นเราปรารถนาจะดูเสียงของพระเจ้ากุมารราชาซะก่อน พระเจ้ากุมารราชาพอถูกพระเจ้าศรีราทิษซึ่งมีแสนยานุภาพเหนือกว่าขู่เช่นนี้ก็มีความตกตะไคยเลยต้องยินยอมส่งท่านสมณะเฮี่นจังให้มาเฝ้าพระเจ้าศรีราทิษเมื่อพระเจ้าศรีศรีราพิษจะมีโอกาสฟังธรรมจากท่านสมณะเฮียนจังแล้วก็เกิดสภัทธาภาษาพระดินดั่ถึงกับวิญญาณว่าขอให้ท่านอยากจะไปเมืองทีนเลยจงอยู่เป็นบุญเถิดของโยมที่อินเดียเถอะแต่ท่านสมณะเฮี่นจังก็ไม่ติดในราภประการะ ได้ถวายทระพรไปว่ามหาบพิตรอัตมภาพได้อุทิศชีวิตก็เพือจะศึกษาประธรรมวินัยของภาษาขดจ้าในแดนทศภูมิเมื่อศึกษาจบแล้วเขาจะได้นําสิ่งที่ศึกษาไปเป็นเหตามมหิหตุประโยชน์แก่สกภัต์ที่อยู่ในห่วงแห่งอวิชชาในประเทศจีนโพนเพราะฉะนั้นมหาบพิตรจะได้ขัดขวางสิ่ที่มเจจนาของอาจารยมภาพเลยในที่สุดกษัตริย์ทั้ง18นครในข้างนั้นก็พากันผัดเปลี่ยนกันตป็นโยมอุปถามของพระจีนรูปนี้ นับว่าในตรวัิศาพตร์ทุกศาสนาไม่เคยมีพเถระเลยไหนที่ได้รับยศสูงในท่านเฮียนจัง อ, อีกที้เลยที่มีกษัตริย์ที่สิประเทศที่ป18ปแปดแควง่งแย่งกันเป็นเมืองอุกกาบาตขัน้นอย่างนี้ไม่เคยปรากฏเลยอย่างมากก็เป็นเพียงแต่ว่าองค์สององค์เท่านั้นเองหรืออย่างมากก็เป็นเพียงแต่ว่าเป็นที่รักใคร่เคารพลักถือของกษัตริย์ในหินของตัวเท่านั้นเองแต่นี่ท่นานคุณพะต่างชาตต่างประเทศเดินทางมาในอินเดีย แล้วก็ได้รับการยกย่องจากชนทั้นปกครองของอินเดียขนาดนี้เป็นครุศา ก, การะอันยิ่งยอดท่านเยี่ยงจังได้ให้ตามศึกษาในอินเดียประมาณ15ปีแล้วก็ได้เดินทางตัดประเทศจีนโดยถือเอาเส้นทางผ่านทางตร์กีสถานและเดินอ้อมเวกนั้นอย่างมาเที่ยวแหลกในเที่นนี้เนื่องจากบรรดาพระมหากษัตริย์นอินเดียได้ช่อกันบวชเิน เพื่อกันส่งพวกมหัศเล็กแต่พวกผู้ศึกเนเป็นตปิยการุษถวายความสะดวกแต่ท่านเพราะฉะนั้นท่านก็ได้รับความสะดวกไปทุกคนทุกแห่งไปถึงถิ่นใดแค่ไหนได้รับการต้อนรับอย่างอัคันติกะเสมอพระมหาตาสัตว์อันเชื่บ้านผ่านเมืองในท้องถิ่นนั้นๆจะต้องออกมาต้อนรับเป็นทางราชการไปทุกคนทุกแห่งไปตัวเต็มกระชั่งสองตีให้หลังการเดินทางท่านก็บรรลุเข้าชายเขตประเทศจีนท่านเงียบจางก็ตระหนึกว่าเมื่อ15ปีก่อนโน่น เราลั ก, กลอกข้อบัญญัติของประเทศที่ห้ามมาให้คนไหนออกคนนอกข่าบัดนี้เราจะถึงความผิดของเราถ้าะไรเราจะต้องทํำนังสือทูลขอขมาโทษกับพระเจ้าอยู่หัวหน่อยท่านเหียนจังก็ร่างนังสือทูลขอขมาโทษที่ว่าบางอาล่วงล้ำกดบัญญัติของบ้านเมืองข้ามแดนมาเล่าเรียนในอินเดียเวถวายกับจักรพรรดิจีนที่นครโลยางซึ่งเวลานั้นคือหลี่ซื่หลิน อันทรงตําแหน่งจกักรพรรดิเต็มพระเจ้าทั้งไทยจงห้องเตะพระเจ้าทั้งไทยจงห้องเตะพอได้อ่านสมณะฝารของท่านเหียนจางเข้าฉนั้นก็เกิดติ๊กขุนทองสยองกล่าวบอกว่าท่านเหียนจางเนี่เป็นอัจฉริยะบุรุษแล้วเพราะคนปกติธรรมดาใครเลยที่จะสามารถไปโดดเดียวตัวคนเดียวข้ามทะเลทรายขึ้นเบื้องบนนี่มีสัตว์มีติ๊เบื้องล่างนีสัสสตว์เลื้อคลานได้ก็ท่านผู้นี้เท่านั้นเองแหละที่สามารถพันเ่าอุปสรรคไปถึงแดนที่กระุมเป็นถึงสาเร็จ มีน้ำตามยังนำเีหตุกวัติของประเทศชาติเพราะคำหนคนจีนไปเผยแผ่ในดินแดนต่างประเทศจนกระทั่งได้รับยกย่องเป็นคาเทระอันยิ่งยอดในอินเดียกระทั่งบรรดาชาวพุทธในอินเดียได้ถาวายเกียรตินามท่านว่ามหายานาเทว์คือท่านมหายานะเทวคือเป็นเทวดาของมหายานว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวจีนเจ้าของชาติสองท่านอย่างนี้ทําไมซ่อนรับท่านให้เออกเรเป็นมโหาราลิศแล้วก็จะถายหน้าชาวต่างประเทศเขา พระเจ้าถังไทจึงห้องเต้จึงมีรับสั่งให้พระเจ้าอาของพระองค์ท่านไปเป็นผู้แทนต่างพระองค์นากองขบวนจิตยศทหารสองหมคนไปรับท่านเหียนจังที่ชายแดนแล้วให้แห่แห่มาทั่วเมืองมีพระราชสารต่อไปว่าเรื่องความผิดได้ก่อนๆนันะ้นน่ะพระเจ้ามันดึงม่โดยยกเป็นข้อผิดเลยเพราะการกระทำท่านเหียนจังนี้เป็นการกระทําประกาศจิติคุณของชาติของศาสนาอยากที่จะหาบุคคลที่มีจิตใจอย่างท่านทำได้เพราะฉะนั้นมนุษย์ทีกลับมาไว ถ้าหาว่ามีพระอินเดียรูปใดที่เที่ยงชาในประไตรปิฎกแล้วให้นีมนมาด้วยเพื่อที่จะมาช่วยกันแปลพระธรรมวินัยออกสู่ภาษาจีนท่านทั้งท่านรมนะเฮียนจางซึ่งเมื่อ15่ปีก่อนโทศน์ไปในฐานะหัวเดยวกับยิมมีแต่ท่านมาณบัดนี้มาในข้ามกลางกองกิติยศอันมโหราริกในวันที่ท่านมาถึงนครหลวงพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกต้อนรับบนญมุกพรชาตั้งโต๊ะถูกเงินเงินทองตั้งโต๊ะบูชาต้อนรับท่าน แล้วก็ออกราชองค์การให้ทุกครัวเรือนราชสนตั้งโต๊ะบูชาที่หน้าประตูบ้านหองตัวทุกคนทุแห่งไปเอาดอกไม้โรยตามถนนเป็นเครื่องสักการะทนัแทนแห่เห็นท่านเยี่ยงจังเข้ามาในราชธานีแล้วก็มีมนให้ท่านไปพักอยู่ในวัดจึสงสร้างขึ้นใหม่โดยเฉพาะวัดนี้เป็นวัดสึ่งพระมากุฎราชกุมารรัชทายองราชทายาอุทิวงังเดิมสร้างเป็นวัด คืออุทิศส่วกุศลให้พระไร่พระราชชนมีพันธีหลวงให้ชื่อว่าวัดใต้ชื่ออินยีแปลว่ า, า, า, า, าวัดมหาการุณคุณารามวัดมหาการุณคุณารามแล้วก็มีมนทัน้งเฮียนจังกับเจ้าอาวาสที่วัดสร้างหม่แห่งนี้อ่าวันในวันที่ท่านเฮียนจังได้เฝ้าหน้าพระที่นั่งพระเจ้าทั้งไทยจงต้งการจะลองใจท่านหรือถ้า ม, มีวัตถุกุศลสนใดก็จะอ่าเหลือที่จะดาละพระเจ้าทั้งไทยจงก็สังว่าท่านอาจารย์อ่ะเป็นผู้ที่ มีความรู้รอบตัวมากเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดเพราะฉะนั้นโยมคิดอยากจะมีมนให้ศึกสาลาเพศเนี่ยออกมารับราชการช่วยกันเพิกบำรุงประเทศชาติในเพศครว่ า, าต่อไปโยมจะแต่งตั้งให้เป็นอัครเสนาบดีท่านยิ่งจังได้สดับเพิ่ม น, นั้นท่านก็นิ่งขึงอยู่ครู่นหนึ่งแล้วก็ถวายพระพรว่ามหาบวิถีอาชมภาพนะบวชในเป็นเพศสมณะอิสยัยตั้งแต่ยาววัย เรื่องการโลคีวิชาโลคีก็ศึกษาเป็นส่วนน้อยเพราะฉะนั้นให้อัตมภาพฉลองพระเดชพระคุณของมหาวาาพิตในเพศมสมณะต่อไปเถอะอย่าให้ต้องมาฉลองฉลองพระเดชพระคุณในเพศคา ร, รวะคารวะเลยเพราะว่าคารวะสิเขาเชิงชาความรู้ยิ่งกว่าอัตมาภาพเนี่ยมีเยอะท่านตอบอย่างนี้พระเจ้าถังไทยจงก็รู้สึกชื่นชมแม่ทรายว่าพระนิ่งเป็นพระจริงเป็นพระแท้พระองค์นี้ไม่ติดลาบไม่ติดปักการะแม้จะสัการะมาลอกเอาราบด้วย เงินทองมาลอกก็ไม่ติดก็ย่าว่าแต่สิงจะตั้งให้เป็นอัครเสนาบนดีเลยแม้จะตั้งให้เป็นสังฆราชท่านยังไม่รับเลยซึ่งเหตุการณ์ที่แล้ ว, ลวมาเนี่ยเป็นเครื่องบงในตัวที่เดียกก็บอกก็เลยโสดบานเห็นจังมากแม้แต่จะเสด็จไปในเรื่องรถทัพจับศึกก็บอกขอให้มีมนชัยเห็นจังไปในกองทัพเดียจะได้คุยธรรมะกันแต่เห็นจังบอกไม่ได้ถาวายพอะพรพระวินายห้ามไว้ไม่ให้พิสูจสูงไปในดูทหารเคารพกันเป็นอาบัติเพราะฉะนั้นอย่ากให้อัตมภาพต้องอาบัตด้วยข้อนี้เลย พระเจ้าทั้งไข่โจงก็เลยอัดอัน้นปันสทายแต่กามันมีพระราชสารพุ่นมาแต่ท่านเหยิงจังเมืองเมืองมนแ ม, ม้เวลาที่เสด็จแต่ในราชการศึกก็ตามเหตุการณ์ทั้งนี้ตลอดในชีวิตปบนรลาของท่านเหยิงจังตั้งแต่อายุสี่สิบถึงหกอันเป็นวัยวรรณะภาคท่านตลอดระยะหลังนี้ในประชิมวยัยท่านได้อุทิศกาลเวลาทั้งหมดในการแปลตำลักตำราในศ า, าสนาจากภาษาสันสกฤตออกเป็นภาษาจีน ผลงานที่ท่านทำนั้นอะ่ะคือแปลคัมภีร์ในพุทธศาสนาเป็นจํานวนเจสสปการแปลมาเจสสิบปรการคิดเป็นจํานวนจำนวนถูกกลาประมาณรันกว่ผูกนี่เป็นผลงานเป็นธมตะที่ท่านฝากไว้ในวรรณคดีพุทธศาสนาท่านแบ่งเวลาท่านอย่างนี้คือหนึ่งนอนเพียงสี่ชัวโมงแล้วก็รุ่งเช้าพอห้าโมงตีห้าตอนเช้าท่านลุกขึ้นตรวจเงิน ตรเสร็จแล้วก็เตรียมงานสาหรับแปลในตอนตอนสายว่าวันนี้จะแปลคําพีหน้าไหนถึงหน้าไหนตั้งแต่ลานถูกไหนถึงถูกไหนท่านเตรียมอ่านต้นฉบับต้นสตึกไว้ก่อนที่ไหนมีจับที่จะต้องเป็นปัญหาท่านก่อจะได้ค้นคว้าหาคําแปลว่าเรียบร้อยพอตอนสายก็เริ่มลงมือแปลมีคณะกรรม ก, การร่วมด้วยที่พระจารย์บลินแต่งตั้งเรียกว่าคณะราชบัณฑิตมีทั้งพระทั้งขรรษที่รู้ภาษาต้นสตึกดีรู้อักษรศาสตร์จีนดีมาเป็นผู้ช่วยท่าน ท่านอาจารย์ยิ่งจังในฐานะเป็นประธานท่านก็ต่างละต่างต่างใบลานออกแล้วก็แปลปากเปล่าเป็นภาษาจีนตามองทั้งเกแปลก็ปากก็แปลเป็นจีนแล้วก็มีเลยขาในกาลคอบันทุกคำแปลท่านไว้เสร็จแล้วก็ส่งในคณะกรรมการทางสำนวนภาษาจีนคำระตรวจฟังให้สำนวนกระเสออ่าเป็นถูกต้งตามสำนวนจีนแล้วให้ท่านทำลายอีกทีหนึ่งให้สอดส่นฉบับคณะกรรมการที่ร่วมงานกับท่านนั้นมีประมาณ20กว่าท่านด้วยกัน เป็นขรรชัดขึ้นหนึ่งเป็นที่สูงขึ้นหนึ่งที่สรงความรู้ในพระไตรปิฎกท่านทําอย่างนี้จะทั่งถึงตอนเทมฉันเทมเสร็จแล้วท่านก็สอนพระมีพระจากตำนักต่างๆมาเรียนปริยัตกับท่านมาไต่ถามข้อสงสัย ต, ต่างๆกับท่านกจะทั่งถึงเย็เนเย็นเพื่อทาวัดสวดมนตเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงตอนค่ำท่านก็เทศนาแก่พวกขรรชัดมีพวกขรรชัดมารับคำโมวาจากท่านต่างๆพอตอนค่ำ ล, ลาลาศักดสองทุ่มพวกขรรชัดกลับกันแล้ว ท่านก็ให้กรรมฐ า, านแก่บรรดาพระลูกศิษย์แล้วก็พระองค์ใด ย, ยังมีปัญหาข้างๆในการศึกษารอบเท้าก็นําปัญหาเหล่านี้มาถามท่านแระทั่งถึงสองยามเที่ยงคืนจึงมีโอกาสจําวัดเป็นอย่างนี้เป็นจุจวัตประจํา จ, จนกระทั่งอายุของท่านเข้าปีที่หกสิบสี่ในนั้นท่านอาพาธอาพาธก็เกิดจากโรคที่ตอนท่านข้ามภูเขาเหมาลายจะมาอินเดียเป็นโรคที่ว่า เรือหลังมาตอนนั้นก็ยังไม่ปรากฏทิศสงอะไรเพราะยังอยู่ในวัยมุมพละําลังกายก็ยังกํายําอยู่มาถึงตอนนี้ชลาภาพแล้วไอ้โลกเต่าที่ตอนข้ามภูเขาน้ําแข็งก็กําเริ่ขึ้นมาท่านก็เลยเห็นว่ากำหนดพละของตัวจะใกล้มาแล้วก็เลยลาพักงานนานแปลไปก่อนบรรดลขขาลูกศิษย์ลูกหากวิงวอนขอร้องบอกว่ายังมีประโยนอีกสูดหนึ่งคือรตัตะนักฟูตะศุดสูตรนีดด้หนักมีป็นเศษมากในตัน เป็นคำทีลานตั้งเกิดร้อกว่าผูกมีมนธรรมจาจารย์แ ป, ป็นจีนที่จบตั้งแต่คับเพราะว่าทําไมแปลร้อครั้งเราจะไม่คงแปลต่อไปท่านพิจารณาจังร้อกว่าผูกลานก็บอกกระลุกกระลืว่าเห็นจะไม่ไหวแล้วทีวิตของฉันมันไม่กล้ฟั่งเต็มทีแล้วนี่งานแปลสูตรที่เป็นสูตรจ่ายตั้งร้อยกว่าูกถ้าแปลข้างๆไว้ก็ช่อยยาวแปลดีกว่าท่านก็ไม่เด็จับงานแปลอันนี้ต่อไปท่านเลิกจับงานแปลก่อนหน้าท่านบรมนาคเพียงสี่เดือน เรื่องสีเดิมสเลิกจับงานแปลติดหนังสือแล้วก็ตั้งหน้าทําจิตใจภาวนาต่อไปเอาประโยชน์ส่วนตัวละตอนเนี้ยภาวนาเพื่อตัวเองต่อไปทาละขัดจาวันเทนสมาธิภาวนาเรื่อไปทีเดียวตอนนี้แต่ทั่งลมเจ็บลุกไม่ขึ้นลมเจ็บลุกไม่ขึ้นท่านก็เรียกลูกศิษย์ที่เป็นอกถาสมาสั่งบอกว่าถ้าฉันตายแล้วอย่าทําำศพฉันเอกเรกนะฉันเป็นพระเอาเสื้อเก่าที่ฉันนอนเจ็บอยู่เนี่ยหอ่อศพฉันแล้วไฝังเสียก็พอไม่ต้อนไป เรื่องลายเงินทองชาวบ้านมาทำศพฉันเออกระเดืเปลืองแรงงานเปืองเงินทองชาวบ้านก่อล่าวเอาเงินทองที่ชาวบ้านเหล่านั้นอะ่ะมาพินตำหรับตาราในศาสานาเผยแผ่ดีกว่าฉันดีใจจะทําทอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นในงานสดฉั้นอย่าทําอะไรเออกรเดื่องเลยให้ทําตามอย่างศพของมันมาคิดแท้เอาเสือเก่าขัด ข, ด ข, ด ข, ดขาดปอแล้วฝังก่อแล้วสันงสั่งไว้อย่างนี้เสร็จแล้วก็ให้ลุ ก, กติดกลางมัญชีบัญชีว่าในชีวิตของท่านนี้ได้แปร ป, ปกรณ์ในพุทธศาสนาไว้ผีปกรณ์ ในชีวิตท่านนี้ได้สร้างขบวนอุทิศในศาสนาสี่สสแผ่นสรูปสผ่ืนแล้วก็ในชีวิตท่านนี้ได้หล่อพระประธานหล่อพระพิฆรุปไว้สี่องค์อ่านให้ท่านฟังเพราอ่านจบท่านอมุโมทนาและท่านก็แผ่สียนบุญให้กษักาาตริย์ระศัตรรับผลบุญที่ข้าพเจ้าเฮี่นจังทําเนี่ยขอแผ่ให้กษัตริย์ทั้งหลายด้วยและขอเป็นพลวะปัจจัยให้ข้าพเจ้าเฮี่นจังเมื่อดับจิตจากทศนี้แล้วก็ขอให้ได้ไปฟ้างสักสิอริยเมตไตรโพธสิสัตวในบูติก ข้าพเจ้าเห็นจังยังมีปัญหาทำอีกหลายข้อที่จะต้องไปทูนถามพระทิลาริยาเมตไตรใ น, ในดูสิตให้เต็มที่แจ่มกระจ่งางเพราะฉะนั้นจึงผูกจิตหมายจะเฝ้าพระองค์ในดูสิตพบทูลถานเสร็ น, นี้แล้วก็ไม่พูด อ, อื่นอีกเลยนอนตะแคงขวาอย่างปางปารุอุทานสิหสัสายะแล้วก็ภาวนาพนามพระศิลาริยาเมตไตรโพธิสัตว์จะทั้งวาระสุดท้ายดับอัตสาตปัตสาตด้วยสิริยาอาการอันตง พอข่าวพระท่านเยี่ยงจังดับขันหน้าพระชนกเจอยู่หัวพระเจ้าดีหัวองค์นี้เป็นองค์ใหม่องค์วัชชาญาตขึ้นเสนอราชสมบัติชื่อว่าพระเจ้าขังเกาจงฮ่องเต้พระเจ้าถังเกาจงพอลู่ข่าวบรณาภาพท่านก็ทรงพระกันแสงในท่ามกลางขุนนางบอกว่ารัตนนาดูหนึ่งของประเทศได้แตกไปเสแล้วเครื่อยู่ราชการสามวันเป็นอนุสรกับท่านตอนนี้ลูกศิษย์ก็มาเข้าข้าวบอกว่าท่านสั่งไว ให้ทาสดเงียบๆเอาหอเต๋าที่ท่านนอนนี่แหละหอศพท่านไปฝังเขาจะทวงไม่ได้อย่าง น, นี้ก็ไม่สมกับพระที่ฉันมั่งถือเลสิไม่ได้ไม่ทำไม่ยอมทำตามทำต่งท่านอาจารย์เหยียดจังละท่าสจังก็สูงท่า น, านแต่บรรดาลูกศิลูกหที่นั่ถือท่านอ่ะจะต้องทําออเกลือคือผมเกลียดที่ได้เพราะฉะนั้นงานศพจะเป็นงานหลวงงานหลวงหลวงออกเท่านั้นแห่แห่ในวันที่จะทำพิธีฝังสศพท่านอ่ะมีประชาชนมาในงานสองล้านคนท่านทั้งหลายมีไหม คาเนดี Kennedy, ตายยังมีคนที่สองลานมาในงานเลยประธานาธิบดีคนเนดี้อ่ะยังเก่งเขาว่าประมาณหกแสนทีนเองอ่ะคนเนดี้อ่ะวันเหาะคานเนดี้อ่ะประชาชนในกรุงในประเทศอเมริกาต่างๆมาในงานศพคนเนดี Kennedy, 6, ้หกแสนเศษมาตมะคันธีสุดเขายินตายที่อินเดียเมื่อหลายปีมาแล้วอินเดียนะ่ยมีพลเมือมากมีมีคนมาในงานสศดมาตมะคันธีล้านเศษมี่เรีว่มากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้ว แต่ยังไม่เป็นประวัติการเหนือท่านเหยียงจังที่ประชาชนมาในงานฝังศพท่านสองลา้านเศษสอลานเศษนี่และเป็นเหตุติประวัติที่ไม่เคยมีพระเถระรูปใ ด, ดในพุทธศ า, ษ า, ษาสนาไม่ว่าจะเป็นมหายานหรือเถรวาทที่จะมีมานเข้าอย่างพระท่านเหยียงจังองนี้แล้วเพราะนั้นท่านเป็นอัจฉริยะจริงๆเป็นมหาบุรุษลับจริงๆองนี้เป็นเป็นศิริปตะพระาราจารย์จริงๆนี่เป็นธรรมาเสนาบดีจริงๆองนี้กลยุทธ์เกิดขึ้นประวัติอะต่างๆคร้อมพร่งหมด ไปฝังว่าที่นอกพระนครก่อสถูกฝังศพท่านไวา้คนมาในงานของรานเศษเฉพาะพระสงฆ์สมณเณรน่ะมากระทั่งวัดใน่พอพักต้องไปกัางกฎอยู่กลางสนามเป็นจเนินตั้งหมนหมืนม่นพระเนมาในงานได้หมืนม่นหมนอ่าต้องกลางกฎอยู่กลางสนามวัดในพระนคร น, น่ะไม่พอให้พักต้องการกฎกลางสนามอยู่กันนี่มาในงานท่านอย่างนี้นี่ก็แปลว่าท่านอาจารย์เฮี่ยงจางองนี่แหละได้ทําให้พระเจ้าปีเด็กถับกินฤฤฤฤฤฤ ของมหายาณอุดสมสัญญุนโดยอัฏฐะพยัญชนะเพราะท่านเองรู้าษาสุสกษษิตแต่ฐานพูดได้เศษได้เขียนได้ภาษาสุสกิตเนี่ยจึงเป็นการที่ว่าคําที่นี่นแปลมาจากเ้นฉบับเดิมจะต้องเป็นฉบับที่มีสมนนัญญุนถูกต้องโดยอัฏฐะโดยพยัญชนะแน่นอนผลงานนี้ทําให้เกิดการปฏิรูปพุทธศาสนาในประเทศจีนท่านได้เป็รรนผู้ขอกําหนดในกายพุทธศาสนาในกายหนึ่งในประเทศจีนในกายนั้นคือมีกายธรรมลักษณะหรืออีกที่หนึ่งว่าในกายโยคาจาร และประเทศจีนอันยุคนี้เป็นยุคทองของยุคศาสนาในสมัยราชวงศ์ถังนะครับต่อจากสมัยท่านเหีียนจังก็ยังมีนักธรรมจาริสีอีกลูปหนึ่งชื่อว่าท่านสมณะอินจุนเป็นคนในสมัยหลังท่านเหีียนจังประมาณ600ปีท่านลูกนี้ได้เดินทางไปอินเดียเหมือนกันโดยการเดินทางท่านนะ่ะทั้งไปทั้งกลับไปทางเรือท่านลงเรือที่เมืองกางตุ้งแล้วก็แล่นเรือไปตามฝั่งและมี โ, โดยจีนผ่านประเทศเวนประเทศเขมรประเทศจามปา แล้วมาผ่านอ่าวไทยขาดผ่านวกเขา3ร้อยยอที่ประเทศพินิหารแล้วก็เรือก็ผ่านมาขึ้นที่เมืองเตเบะไซบูรีที่สหรัฐมาเลเซียเสร็จแล้วก็เดินข้ามแหลมลายูไปลุงฝั่งโน่นลงเรือต่อลงอแช่งแค่มาลลากาผ่านอ้อมวกขึ้นฝั่งที่ประเทศอินเดียที่เมืองตามฮาราลิตติในอินเดียในมเมืองท่าในฝั่งตะวันออกของแหลมเปต อ, อนเมื่อขึ้นประเทอินเดียแล้วฉันจริงจริไเลยท่อเที่ยวในประเทศอินเดียรวมหมดทั้งไปทั้งกลับทั้งบกทั้งไปทั้งเรือ ยี่สิบปดปีเดียกันมาพักที่เกาะสมมาตรสี่ปีแล้วก็ไตกลับไปเมืองจีนเมื่อกลับไปเมืองจีนไปทำงานแปลทำพิเแต่ว่าองคนี้หนักก็ท่ท่านวินัยท่านยงจางแปลหนักกวทางอธิธรรมเพราะเป็นทั้นฤิ์พระอักษรอธิธรรมแต่ท่านอิจนจนเ่เป็นพระอักษาทางวีนัยแปลวีนยได้ไมากแปลวินยปีดกของนิการะรวาสีวะจบหมดทุกทานวาลจบหมดเลยวนยปีดกมาสมบูรณ์ในสมัยท่านอินจีนจากภาษาต้นวปลเมืองจีนจบหมด ในนายมีดกของจีนสมเด็จในสมัยท่านพระจีนรุ่นี้ท่านพระจีนรนี้น่ะอายุยืนกวท่านเหวินจังท่าน้ายเมื่ออายุ80กว่าทาราภาพมากแล้80กว่าแล้วก็ท่านก็มีเยอุปถาที่ดีคือจักรพรรดินีในประเทศจีนข้างนั้นด้วยว่าจักรพรรดิบูเช็เทียนห้องเตะเป็นผูญิงขึ้นครองเมืองนามบูเช็เทียนนามบูเช็เทียนนี่ได้ให้เเรออุปถามภท่านจนเริมกาแปรปไตมีดกกระทั่นกระั่งจสมบูรณ์นี่ท่านอีกจริงนะครับท่านก็ท ประเทศในแถบถิ่นทะเลใต้ในฝูงล้นมนี้บันทึกความเป็นไปในคล้นทวาราวดีของเราด้วยเวลานั้นที่ท่านผานในเมืองไทยอ่ะเป็นแคลองทวาราวดีท่านผานนาครปฐมด้วยนะยกนครปฐมด้วยในะอิงจริงอ่ะมาขึ้ น, นที่นครปฐมแล้วก็เดินบกตรงไปด้วยผ่านจังหวัดตะจียคีรีขันที่ข์เขาสามอยยอดด้วยชมพูที่ทุเขาสามร้อยอดว่าเป็นยังไงเป็ไงถูกตั้งทุกประการด้เหตุการณ์ปัจจุบันนี้ยุคนั้นเป็นยุคอาณาจากรทวาราวดีมีนครปฐมเป็นเมืองหลวงนี่นี่เป็นยุคทองพุทธศาสนาในสมัยเินัง ในสมัยเวนถังเองที่พุทธศาสนาได้พทอดกันไปในประเทศเกาหลีกับญี่ปุ่นของประเทศนี้คือมี อ, อุบาสิกีนสัพพะทีนเดินทางผุดดวงไปประเทศเกาหลีแล้วก็ไปสั่งสอนพุทธศาสนาแในาแชาวเกาหลีแล้วชาวเกาหลีก็เลื่อไสามาเรียนในเมืองจีนมาบวชที่เมืองจีนเสร็จแล้วก็เอาสมณะองไปตั้งขึ้นที่เมืองเกาหลีประเทศเมืองเตอุนบั๊กเมืองตองดางบักในครั้นกระโ น, นเวลานั้นยังไมเ่เหลือเมืองตองดางหรอก เลือกดีว่าอ่ารัชพุชเช่ไปสอนสาศาสนาในประเทศเกาหลีไม่ช้าเกาหลีทั้งประเทศก็กลายเป็นเมืองพุทธาศาสนาจากเกาหลีจักรพรรดิที่ครองประเทศเกาหลีก็ส่งพุทธรูปพระธรรมคำพี่ส่งไปให้จักรพรรดิประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเวลานั้นข้าเจ้าแผนดินที่รับพุทธาศาสนาชื่อว่าจากาักรพรรดิจินเมอิจกักรพรรดิจินเมอิรับพุทธาศาสนาไปจากเมืองเกาหลีแล้วก็ต่อมา ทางญี่ปุ่นก็เ่งนักศึกษามาเรียนทศ า, าสนาโดยตรงจากเมืองจีนมาถวายตัวกับพระจีนเพื่ะศึกษาพระไตรปิฎกพอจบแล้วก็รับเอวาวรรณคดีจีนศิลปะกรรมของจีนไปเผยแผ่ในญี่ปุ่นบอกตรงวกาเกาหลีกัญี่ปุ่นน่ะที่มีความจเจริญพ้นจากความเป็นคนต่าคนเถื่อนได้ก็เพราะอิทธิพลพุทธศาสนาถ้าไม่มีพุทธศาสนาขอ่เ้าไปญี่ปุ่นไม่มีห น, นังสือใช่หนังสือญี่ปุนมีกําเนิดขึ้นจากตัวอักขารา์ละฝันสติแม่บทตะขาคะนะ จากดอคิทุนพุทธศาสานาแผ่เข้าไปด้วยตัวฮิราคนาตัวฮีราคณาของญี่ปุ่นนี่ก็ไปเอามาจากไอคิทุนของาาาศาสนาเชิงศีลจากพุาาทธคำพูดไปตัวหนังสือญี่ปุ่นก็ใช้หนังสือจีนอันนี้ก็เพระอิทุนพุทธศาสานาเพราะว่าพระญี่ปุ น, นี่แหละเป็นผู้ให้กำเนิดวรรณคดีของญี่ปุ่นเป็นผู้ให้กำเนิดอักษระพิธีของญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นน่ยไม่มีศิลปะใดๆทั้งสิ้นข้อหนึ่งที่รับพุทธศาสนาเข้าไปก็มีการสร้างวัดวัดนี่ก็เป็นบ่อเกิดศิลปะโดยกลายเป็นว่า ทธิพุทธศาสนานี่แหละที่ชุบให้ชาติเกาหลีกับชาติญี่ปุ่นเนี่ยพ้นจากาการเป็นชาติป่าชาติเถือนกลายเป็นชาติสิวิไลมีอารยธรรมวัฒนธรรมสูงทั้งจิตใจทั้งวัตถุอันนี้เป็นบุญคุณของาาศาสนาพุทธที่มีต่อสองชนาชาตินี้อย่างใหญ่หลวงทีเดียวแต่ว่าพุทธศาสานาในประเทศญี่ปุ่นนั้นเพิ่มจะมาเป็นศาสนาประจําชาติในสมัยศตวรรษที่สิหลังพุทธประวิธาน อาผู้ที่ทาให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาชาติในญี่ปุ่นนั้นเป็นม ก, ก, กุฎราชกมารชื่อว่าเจ้าชายโชโตกุไทชิโชโตกุไทชิเจ้าชายโชโตกุไทชินี่แหละได้รับได้รับสั ญ, ญาจากชาวญี่ปุ่นว่าเป็นอโศกมหาราชแห่งญี่ปุ่นเพราะพระองค์ท่านได้ตั้งรัฐมนูลรัฐบาัติโดยเอาหลักธรรมพุทธาศาสนามาประยุกต์ตั้งรัฐบญลติขึ้นปกครองประชาชนาในรับจอมร่มเย็นทันี่สุข แล้วพระองค์ได้เหลพระพุทธรูปขึ้นเป็นบัณฑิตในประเทศญี่ปุ่นได้สร้างวัดพุทธศาสนาที่เมืองนาราไว้หลายวัดที่เว่าวัดเซนไดจิวัดเซนไดจิในเมืองนาราวัดเหลา่านี้ปัจจุบันยังรักษาอยู่เป็นโบราณสถานที่เก่าแกร่รวมทั้นตัวพระอุโบสถตัวมีหานซึ่งสร้างด้วยเครื่องไม้ยังอยู่บริบูรณ์ในทุกอางถ้าใครเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วถ้าไปเที่เมืองนาราแล้วจะเห็นอิทธิพลวัฒนธรรศาสนา ในสมัยยุคนาราซึ่งเป็นเมองญี่ปุ่นในครั้งกระโ น, น้นได้รับฉายาว่าเมืองหลวงแห่งพุทธวิหารหนึ่งพันเพราะมีวัดพุทธศาสนาสร้างขึ้นในเมืองนาราแห่งนี้ถึงพันวัดเลยกันเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของพุทธศาสนาในเกาะญี่ปุ่น อ, อ่ะต่อมามีคณาจารย์ชาวญี่ปุ่นหลายรูปที่สามารถศึกษาพระไตรปิฎกแต่ช า, านแล้วตั้งเป็มีกายขึ้นมาปกกระเอกเทศต่างจากมีกายที่รับจากประเทศจี คือมีกายพุทธศรสนาในเมืองญี่ปุเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นมีมีมีกายใหญ่อยู่13บสมีกายนะครับแล้วแต่ละามีกายยังมีอันลกสาขาแยกกันไปอีกเยอะหมดประมาณเจ็ิกว่ามีกายมั้งในญีปู่เนี่ยมีกายใหญ่มีกายเล็กมีกายน้อยเศษเรินได้เจ็ดสิบกว่ามิกายแต่ว่าที่เป็นมีกายใหญ่แท้ๆนะมีสิบสมีกายในจำนวนสินสามีกายนี่รับมาจากจีนตั้งเกิดขึ้นที่รับมาจากจีนที่เกิดขึ้นในเมืองญี่ปเองแท้ๆก็มีมีกาย ขีนมีกายมีกินแล้วก็ขีนมการแล้วไปจากซีนก็มีมีกายกูช่ามีกายโอบาคมีกายซันรอนมีกายริฟุนี่ยมีกายเจโยโดมีกายเซนมีกายเค็นไดมีกายฮอตโแล้วก็มีมีกายมีมีกายนี่มีกายลานี้น่บางมีกายก็มีประวัติอย่างน่าประทับใจ ยตัวอย่างในศตวรรษที่13มีพระญี่ปุ่นสองรูปเดินทางมาประเทศจีนเพื่อจะศึกษาพระศาสนาจากเมืองจีนชาวจีนถืออินเดียเป็นแดนทัศน์ภูมิต้อหลับตนไปศึกษาฉันใดชาวญี่ปุ่นก็ถือเมืองจีนเป็นแดนศาสนภูมิฉันนั้นต้องพากันมาข้ามน้ำข้ามทะเลมาโดยยากไปเรือแตกจนตายจางมหาสมุทรแป่สิทธิ์ก็ต่างเยอะแยะแต่ท่านจะยอมตายเพื่อเป็นศาสนาภูมิต้องการจะเอาความรู้ไปเผยแผ่กับเพื่อนร่วมชาติ ก็มีผ้าญี่ปุ่นสองูกเดินทางมาคุนลาลัติดตามผู้ญี่ปุ่นมาด้วยองค์หนึ่งชื่อวัดเบนเกียวไดชิกเบนเกียวไดชิองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งชื่อกูไกกูไกสององค์สององค์มาถึงก็มาศึกษาในกายมันตรยานนี่กายขังนีกายเวทมนอาคมอ่ะนีกายขังจากมึงกีนนี่กายหนึ่งท่านเบนเกียวไดชิมาศึกษาในกายเทียมท้ายจากมึงจีน แล้วก็พาเอาหลักธรรมของนิกายนี้ไปสั่งในในญี่ปุ่นไปเลือกชายภูมิสถานตั้งอยู่ในภูเขาสูงให้ชื่อว่ า, านิกายนิกายเทนไดตามชื่อภูเขาในเมืองจีนขันโคโบเดชขันกูการี่แหละได้รับแต่งตั้งเป็นสังฆราชจากจักรพรรดิญี่ปุ่นให้เป็นโคโบไดชิส่วนขันเบนกิโยนั้นได้รับการแต่งตั้งจากจักรพรรดิเหมือนกันให้เป็นเบนกิโยไดชิสัส่งสอนพุทธศาสนาในเมืองญี่ปุ่น นี่เป็นยุคแห่งการฟืน้นฟูศาสนาอย่างใหญ่หลวงต่อมาในราวศตวรรษที่สิบแปดเราวสมัยสุขโขทัยของเราก็มีพระญี่ปุ่นอีกรูปหนึ่งโหดุร้ายมากพระญี่ปุ่นตรงนี้ท่านตั้งนิกายใหม่นิกายนี้เขาชื่อว่านิกายนิจิเรนนิกายนี้เขารดพระธรรมมากที่สุดเคาลดมากเขาลดพรธรรมยิ่งกว่าพระพุทธกับพระสงฆ์อาพระธรรมที่นิกายนี้เขาลดมากเป็นพระสูตรสูตรหนึ่งชื่อว่าจัดธรรมมาบุญผลิตกระสุน แต่ทมาปุ่นทึกกสูตรแปลยังไงว่าพระสูตรดอกมัวขาวพสูตรนี้ถือว่าเป็นพระวจนะชั้นยิ่งยยอดที่พระพุทธเจ้าได้แสดงอย่างหมดเปลืกธรรมะชนิดหมดปลือกแสดงในพระสูตรนี้ท่านมิชิเรนโทนิ่ได้ถือเอาการบูชาพระสูตรนี้เป็นคำขวัญวยาสาวกในมีการนี้จะต้องเปล่งคำน้ำมาสการชื่อพระสูตรนี้เป็นภาษาญี่ปุ่ว่านัมบูเมโยโฮเดงเตโยกิโยนี่นัมบูเมโยโฮดงเตโยกิโย ภาพมุสัยุดกล้ น, นมาสัทธมัมมาพุนริกายสุตรายนมาสัทธมมพุริกายสุตรายนี่ใ้้เป็นงคำนี้ว่าขอความมอบน้อมจงมีแด่สัทธมัมมาพุนริกสูตรเถิดเขาเปลงคำวุนนีบูชาเคาภาวนา ม, มากเวายบุญแรงมากเท่านั้นแล้วข้อปฏิบัติในมีม ก, ากายก็เอาพระสูตรนี้เป็นประทัดฐานไม่เอาเรื่องีไม่เอาเรื่องอภิธรรมไม่เอาหมดอภิธรรมเพราะพระาตัดหมดอภสูตรที่สุดเดียพอใครปฏิบัติตามพร ะ, พระพรสูตรที่สุดเดียก็รอบพ้นอินสิกได้ แลาเข้าถึงความทเป็นเจ้เลยยิ่งขึ้นอาพวกสาพวกนิกายนี้ถือว่าธ่าิกิเรนเนี่ยมันเปคนธรรมดามาเกิดนะแต่เป็นพระโพธิสัตว์ที่พระพุทธจาพยากรณ์ไว้ในขั้นารชืทอว่าพระวิสิทาโพธิสัตว์มาอวตารแบ่งภาคเป็น้มีปุ่นชื่อธาทิกิเรนนี่ไยกย่องสัธรรมพุทิกสูตรนะนี่ิกายิกิเรนแล้วท่านอบโกงตีนิกายอื่นหาวันนิกา้ไม่ดีนิกายนุ่นเลวนิกาอต่างๆด่านิกาอื่นนะพุทธ่อ เอนมาบ้านมึงก็รู้ว่าไม่เด็าดนึ่งั้งมีกายใหม่ทำไมต้องาโจมตีมีกายอื่นทาไมอ่ะต่างคนต่างอยู่สิก็เป็นมีกายในเทกาศาสนาดวยกันแล้วก็มาทะเลาะในยมกายทะเลาะกันทำไมเลยทะเลาะเลยมีกายเนี่ยมีประโยชน์อะไรมีกายต่างๆก็จะคายามเปรียบเหมือนก่ามีพู้ิดจาเป็นพ่อเป็นแม่มีลูกแต่ละคนแยกย้ายกันออกมาลูกแต่ละคนก็ต้องการจะสร้างจุดประให้เกิดวังสะตูช่วยกันสร้างมีอย่างแล้วมาโจมตีมีกายท่าไม่กีนเงินโจมตีมีกาย มีกายจะโดโดหาว่าผู้ตั้งมีกายจะโดโดเป็นสันตว์นรกนี่ชี้ในตําราเป็นศัตว์นรกแล้วก็โจมตีท่านตั้งโกโบไดชิกที่ตั้งมีกายแขังในญี่ปุ่นเบอกว่าท่านโกโบไดชิกนี่เป็นพญามารด่าว่ า, านั้นเอ๊ด่าว่ามากๆค่ะมัก็เกิดเรื่องแล้วสิลูกศิษตามแต่ละใีการเขามีตังเยอะแยะเขาไม่พอใจรัฐบาลก็ไม่พอใจการกระทําแบบนี้เป็นการ บ, บน่นทาลายใจข้ามขีดแต่ประชาชนและประชาชนปฏิกรนยายแบบนี้ก็เลยออกหมายในประเทศท่านบอกว่าหยุดโจมตีเรื่มีกายนะ ถ้าขืนโตมตีอรุณนิการมาเสือสีด่าตนเองใศาสนาเดียวกันเช่นนี้จะถือว่เป็นกบฏ ต, ต่อแผ่นดินเพราะว่าเป็นผู้บอลทำลายความขมขีเขามาเทิดชาติบอนทํำลายศาสนาให้หยุดไม่ต้อหยุดนี่ก็เล่นเบาฉันไม่หยุดท้าทารัชบาลบอกฉันไม่หยุ ด, าา ฉ, ยดฉันจะโจมตีจนกว่านิการชั้นตั้งได้นิกายเดียวนิการอื่นที่หาย่างมันเพราะว่าเป็นนิกายที่ว่าไม่ใช่เป็นนิกายแพ้่นิกายฉันแบบนั้นถึงจะเป็นนิกายแพร่เอรัชบาลก็บอกว่าใครว่าใครอ้าววอนนิกายของท่านเป็นนิการแพร่นิกายเดียว แ้ม <pouch. S 2> so, er, so, the ีกอ่มีกเกัลมีกอ่เาก็มีพระสูตรพระธรรมพระมณ a เป็นหลักเหมือนกันมันถือวาเป็นพระธรรมประสงค์เหมือนกันท่าเอาะไรมาว่าเขาว่าเขาเ่าแล้วท่านว่าเขาว่าเป็นเกยบ้าง่านว่าไงนิกิเนก็ไม่เชื่อเมื่อทีรัฐบาลก็ลงโทษในประเทศไปอยู่เกาะล้างไปไปกลับรถยนต์อยู่เกาะล้างจะได้หมดปัญหามา่งเโง่มหนึ่งยุยุยยามต่ำให้รวกันเต็ทีนิกิเนก็ถูกในประเทศไ่อยู่บนเกาะล้างพักหนึ่งพอแต่ชลาเข้า ทางรัฐบาลก็มี่โทษกรรมให้กลับมาได้อีกแกก็แกฝาสนางแกต่อใจแต่เผาเาริ่มจมกันนี้การเผาไปแล้วตอนนี้ตอนแข็งชักเผาไปแล้วชักคงจะรู้สํานึกแล้วไม่คงจะมาจม ต, ตีกันเองนะเป็นพิธบุตรตีกันก็เผามือไปไม่ทําละแต่นี่การนี้ก็ตั้งขึ้นได้ท่านจะเห็นมีภาพมีการนี้เลยระหว่างสงครามครับมาถึงเมืองไทยด้วยผมก็เห็นตอนนั้นผมยังเป็นเด็กนักเรียนมสามอยู่โรงเรียนได้ไปโรงถึงโรงเรียนมพิธมุกและระหว่างสงคราม ก็ย้ายไปนั่งก็ไปอยู่ที่ย้ายโรงเรียนไปเกิดตอนนั้นก็อยู่ที่กุหลาบย้ายอยู่ที่กุหลาบพักหนึ่งตอนเ ช, าชา้าพเดินที่กระเป๋าไปโรงเรียนผ่านโรงไฟ้าวังเรียบเอ๊ะเป็นผ้าญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งถือกองโลกหนึ่งไปตุ้งตุ้งเดินมาตามถนนผ้าญี่ปุ่นอะใส่เสื้อเชิดขาวแล้วเอาถ้าเหลืองคล้องอ่าแล้วถือป้งปุ้งไปเรื่อยตอนนั้นอาจจะอานภาษาที่ไม่ออกไม่รู้อะไรที่เขียนไว้ยังเป็นเด็กอยู่ มาทีหลังถึงรู้ว่าอ๋อพระพิที่ตีปุ้ ง, ง, งเนี่ยก็คือพระมีกายสังกัดมิกายมิกิเรสอ่าท่านตีปุ้งๆในกองลูกนั้นเนี่ยเขียนว่าขอความนอบน้อมจึงมีแบบสัจธรรมปุริตสูตรได้ดบุญแรงไม่พอนาได้ปากตีกองด้วยเพื่อจะปลุกจัให้คุณตื่นตื่ น, ต, นตา ม, มาดูกันว่าที่กองเขียนอะไรเมื่อเขียนแล้วก็จะอ๋อเป็นคํานอบน้อมเพื่อกระือความสนใจเป็นการโปรกำการได้หรือโฆษณามีกายโดยบริยายนี่ ชาตอินยีก็ยังอยู่ในกายนี้มีอิทธิพลมากก็เรนั้นในกานี่เวลาเนี่ยมีสมาชิกขังจับในกายนี้เขาปรับงบหมายแล้วเวลานี้ประมาณสามล้านเศษในประเทศญี่ปุ่นเรียกว่าตั้งตั้งตั้งสมาคมด้วยว่าสมาคมโจกนักใจในเมืองโตเกียวจุดโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสมาคมโจกนักใจนี่เผยแพ่ขับติดในกายีิเรนเพื่อจะฟื้นฟูสิทธธรรมเยาวชนมีเยาวชนมาเป็นสาวก มากมายจำนวนล้านแล้วหอประชาการของสมาคมสูงกังนักกายเนี่ยเป็นปึกสูงตั้ตงหลายชั้นมีทุนมหาศาลจึงสาขาไปเผยแผ่ในแคนาดายูโรปสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยื่นเสนอจะมาเผยแผ่ในเมืองไทยผ่านกลมการศาสนาแต่ละาทางกลุ่มการศาสนาจะพิจารณาอย่างไรก็ันบ้างเห็นเงียบๆไปเนี่ยนี่นี่นแหละไม่เกีเ่ยวน่ะครับเผยแผ่บอกว่าคัติ ทำพุทธศาสนานนกายอื่นๆนะไม่สำคัญเท่าคติธรรมในสัตธรรมบนนิสสุตเงทั้งของเทระวาทด้วยเงินทั้งมหายาในกายอื่นๆด้วยไม่สาคัญข้อสำคัญน่ะหลักธรรมอันเป็นอันซมาที่แท้จริงของพระพุทธองค์นั้นอยู่ที่สูตรนี้สุดเดียวข้าว่างั้นเพราะนั้นคนจะพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยคติธรรมในสูตรนี้ถึงจะพ้นทุกเด็ดขาดอาศัยคติธรรมในสูตรอื่นใกายอื่นไม่เด็ดขาดเขาว่างั้นเพราะนั้นทาหาวณิกานี้มาเผยแผ่ในเมืองไทยก็คงจะพิลึกนะครับ คงจะพิลึกอยู่อาจจะมีการขัดแย้งเรื่องอะไรกันก็ตางกันเท่าก็ได้เพราะว่าอาดีตประวัติของนิกายนี้ก็รุนแรงอยู่แล้วชอบโตมตีต่างนิกายด้วยกันอยู่แล้วถ้ามาในเมืองไทยอาจจะกระทบกระเทือนกับนิกายพันธวารของเราก็ได้บนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของพุทธศาสนาในญี่ปุ่นมุมหนึ่งแต่ว่าพุทธศาสนาในญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้นะในแง่ในด้านการศึกษาโตมก้าวหน้าจนไม่มีชาวพุทธประเทศใดจะเทียบเท่าได้ไม่มี รามเจริญในแง่ปริยัติศึกษานะครับไม่ใช่แง่ปฏิบัตินะในแง่การศึกษาบ้านธรรมดีเขาเจริญมากมีมหาวิทยาลัยทางศกาศาสนาตั้งขึ้นตั้งสบแผ่นของเรามีสองแค่มีสิแต่เรามหาวิทยาลัยของเ้าน่ะม่ชมืออย่างของเราหรอของเราเป็นมหาวิทยาลัยสูงแท้ๆคือมีพระเรียนทั้งหมดเป็นคารวะตะพนของเขาน่ะเรียนเป็นคารวะได้แต่ความจริงเวลานี้ญี่ปุ่นก็ไม่มีสังขรสนะและ้วสูงกูไปไม่มีสังขรสนะ มีแต่ทวีลักนะคือพระพทธกุศลธรรมแล้วก็อีกักษณะหนอึน่งหายไปเหลือแต่อุบาสิกนั่เองที่มูลเหตุเช่นนี้นะบางคนอาจจะสงสัยว่าพระญี่ปุ่นเป็นบราชิ ต, ตงนนั้นดรือทำไมพระญี่ปุ่นมีเมียได้ที่นี้เมียไม่ใช่พระทืเ่เป็ น, ปนต้นตอบัรดัตที่พระญี่ปุ่นมีเมียนะคือท่านชินรานโชนินชินรานโช น, นิเป็นคนมีชีวิ ต, ต, ตวอยู่ราวศตวรรษที่20คือประมาณ500ปีกว่ามาแล้ว ผนชิมร้านโคนินผู้นี้ท่า น, น, า เ, น, นเป็นผู้นําให้พระมีเนื้อวิธีจะทําเป็นผู้นําให้พระมีเนื้อก็คือว่าท่านศึกซะก่อนไม่ได้มีเนียทั้งๆขาเป็นพระศึกจากเพื่สมณะก่อนคือพระจีนก็มีเนื้อไม่ได้นะเห็พลูกวจารณ์นนะมีเนื้ไม่ได้ห้ามเด็ดขาดอเรื่มงินายปาปิโมก็บหมิ่นของเราขึกแต่ไอเพียนจารดบางประการเล็กๆไม่น้อยถึงขึ้นหนุม่มหมเรื่องเสือชีวารถเรอาจจะบุกคล้องไปบ้าง อาบาดข่านทุกข์ปวดก็อาจจะบุกท้องไปบ้างแต่ตั้งแต่ปฏิเทศนิยะขึ้นไปกระทั่งถึงตราชิตเขาจะรักษาไว้คงมั่นคงเส้นคงวาบุบท้อไม่ได้คุณงางว่าครุกาบาดแล้วล่วงไปได้ล่วงก็ผิดไอ้ที่ล่วงบ้างก็อาจจะหนึ่งทุกขวดปสาิตตีเป็นบางขอ้อที่เป็นไมไนะ่เป็นโรคัชะนะที่เป็นรวัชชะล่ไม่ได้เหมือนกันเช่นว่าเป็นพระุแล้วจะไปสูส่ล่นกินเหล้านี้ลย่ะผิดเนกันผิดทั้งอาบาดเป็นอาบาดตัวเป็นโรควัชชะเดือดตมิตรเดือนแต่ถ้าหากว่า หนาวนักจะใสยเสื้อผ้าครึ่งบ้างใส่หมวกบัางใสทถุงเท้าบางอย่างนี้ไม่ห้ามถึงแม่นาวอาจจะตัดผุดเปิดจริงแต่ก็ต้องอนุโลมตามฤดนฝ้าอากาศอย่างนี้ก็ไม่ห้ามรู้ไปได้แต่สาหรับท่านชิ้นร้านโชนินทุนี้น่ะท่านฝึกมาเลยฝึกมามีครอบครัวเลยเพราะนั้นจะได้จะเอาแบบตลอดที่ท่านไม่ได้แต่การฝึกคุงท่านน่ะท่านใที่วัดท่านฝึกในวัดนั่นก็ตั้งครอบครัวในวัดของท่านนั่นเองเลยกายเป็นสงภานคัหัสในในในในของวัด แล้วลูกหลานท่านก็สืบระกูลเปนจะอาวาสในวัดนั้นเลยเลยเป็นตจ้าต่อพระมีกายอื่นๆก็เอาอย่างสิเอ๊มีการนีาา่ทาแบบนี้ดีแฮะเราเอาบ้างสุกรมาแต่เป็นชุมพรในวัดแล้วก็มีลูกมีเนียมีขอรอบครัวในวัดเลยสบายแพ้ไปเลยตอนนี้เลยพวกนิกายเอาอย่างเลยกายเป็นมีเมียหมดเลยเพราะฉะนั้นสังฆะนาฏในญี่ปุ่นจึงไม่มีแล้วมาตำหนิเขาว่าเขาเป็นตระกูลที่โกงแต่ข้าสิกก่อนนี่เขาไม่เขาไม่เห็นไม่ได้ศึกน้อยสึกก่อนมีเนี่ยไม่ได้มีเนี่ยมีเนี่ยทั้งๆเป็พระหนินะนี่แหละครับเป็นเหที่่วา ทำไมพระี่ปุ่นถึง่ีเนี้ยหลายึงไม่ควรจะเรียกเขว่าบิณฑบาคุณจะเรียกเขาว่าอนุสาสนาจารย์หรือนักชกนักชกมากกว่าเพราะเขาเขาไม่ได้เป็นประเด้รับสิ่อย่างที่สูงไม่ได้บวชจยึดติดกตุกตระมาวาจารการบวชขอเขาหน่ะเป็นเพียงพุทธังสระนังคาฉามิคำมังสระนังคาฉามิทั้งังสระนังคาฉามิล้วก็รับสิงห้าเสร็จแล้วทุกอ่างว่ารับสินงอบาสกมีนี่เองเินจะสิ่งข้าเดินจสิ่งี้นี่เองเท่านี้แหละเสร็จจักอุปสรรคหมดแล้วเร็วแค่เียงเรา แล้วก็ใส่เสื้อดำเครื่องหมายของเพศนักชดเป็นอาวุธล่อไปแล้วนี่ว่าในเง่ปฏิบัติเขาย่อหย่อนไปแต่ในแง่การศึกษาแล้วชาทุกในญี่ปุ่นเขาคึกคั ก, ค ก, คกไหวตัวทําต่อเหตุการณ์มากแต่ละมีกายมีทุนประจัญีกายเป็นทุนส่วนกลางไม่จะมีศึกษาทีกายเนี่ยแล้วก็เอาทุนส่วนกลางนี่มาหมุนหมุนเงินเป็นดอกเบี้ยเอาดอกเบี้ยมาลงทุนสร้างโรงพยาบาลในนามพุทธศาสนาอ่า สร้างเรือนสงเคราะห์เด็กอนาถาในนามพุทธศาสนาสร้างโรงเรียนอบรมเยาวชนที่กำพร้าอนาถาในนามพุทธศาสนาสร้างสำ น, นักวิใจัยในนามพุทธศาสนาเขาทำไอรุ่งสังคุมสงเคราะห์เอามามุญเวทเพราะฉะนั้นการศึกษาในญี่ปุ่นจริงกนะ้าวหน้าทำให้มีนักปาชญนักปาชญ์ น, นญี่ปุ่ น, นเยอะผลงานแปลพระไตรปิฎกเราเห็นได้ทีเดียวว่าพระไตรปิฎกฉบับบารีเนะ่ะเขาก็แปลภาษาญี่ปุ่นจบปริญณ์แล้ว ถ้าตระกีดฉบับทีเบสเข า, าก็จดการพิมพ์จบบริบูลแล้วนี่แล้วก็ยังพิมพ์มาตราบิโดก์ตั้งหลายจบซ้ำแล่ซ้ำอีกชำละและชำละอีกเอนไซโคพิเดียคือสาราในต้นในพุทธศาสนาเขาก็ชรนละจบบริบู์แล้วพิมพ์ออก ม, ม, มาด้วยตำหลับตำราพุทธศาสนาในญี่ปุนะ่นน่ะตามร้านหนึ่งสูตทุกแห่งมีขายหมดใครเ ข, ยขีนยนตาราพุทธศาสนาขึ้นแล้วยากว่าจะแหง นักกาพันในเมืองไทยยาว่าจะคินในทิศิศาสนาเลยคิดนวันวิยา ย, ยังถูกคนเลาะเลยจะเป็นนักกาพันไส่แห้งแต่ที่ั้ไม่มี่ปุไม่ใส่แห้งยาว่าเป็นวัตนิยายแม้แต่เขียนเรื่องค้นคว้าทางศิศาสนาก็เรยได้เขามีทุนสามารถซื้อลิขสิทธิ์เป็นจํานวนเงินเป็นสันแสนต่อเล่นอทีพ่ออะไรเพราะพลเมืนงญ่นมีตั้งร้อยล้านกว่ า, าการศึกษาเขาสูงมากมีคนอ่านหนังสือออกเกืบพุ่ร้อยละตั้งกิาที่อ่านหนังสือออก เพราะนั้นเมื่อการศึกษาของสังคมยัพนาการไปถึงจุดเฉงอย่างนี้คนก็สฉลีกนในการอ่านงานวิจัยเลขงานอ่านปรัชญาต่างๆอย่างนักศึธรามะในเมืองไทยอ่ะพิมพ์พันเล่มกว่าจะขายออกแทบแย่หลายตูกเลยจะออกกว่าจะขายหมดนักศึกษามหนะฮะแต่ในเมืองที่บุญท่านพิมพ์ันเล่มพิมพ์ที่ต่างแสนเล่มพิมพ์ที่ต่างแสนเล่มของเรานี่ยหาพิมพ์พันเล่มก็แย่เป็นทีก่อจะขายออกได้หมดหมดได้ มานทียิ่ต้องขันซื้อขันขอร้องให้กันซื้ออย่างไม่อยากจะซื้อเลยนี่แสดงว่ารดับการศึกษาของเรานี่ยังสื้อญี่ปุ่นเขาไม่ได้ญี่ปุ่นนั่นั่อย่าว่านั่งนวตยุย่พูดนวัตเนยพาินทีนเป็นล้านๆเลนั่งซือธรรมะพินทีเป็นแสนๆเลยแล้วขายทุบบททุบบทนี่แสดงว่าคนก็สนใจในการอ่านในการค้นคว้า ม, มากนี่นี่เป็นเรื่องในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วต่อ้าพุทธในประเทศญี่ปุ่นนี่แหละได้นาพุทธศาสนาไปเผยแพ่ในอเมริกาแคนาดา เวลานี้มีวัดพุทศาสนาในอเมริกาที่ชาวญี่ปุ่นได้ตั้งสำนักขึ้นประมาณร้อยกว่าวัดร้อยกว่านะครับไม่ใช่ร้อยเลยศูนย์กลางพุทธศาสนาในอเมริกานั้นอยู่ที่ฮาวายมา ร, รัทฮาวายเกาะฮาวายเมืองฮอนาลูลูมีชาวพุทธอยู่ที่ฮานาลูลูประมาณหกแสนเศษนับถือพุทธศาสนาแล้วก็มีวัดที่ฮาวายเนี่ยจำนวนหกสิบกว่าวัดด้วยกันและอีกอีกห้าสิบกว่าวัดอยู่กระจัดกระจายตาม่าเมือง ที่กาโกบางในอเมริกาฝั่งมหาสมุตรแปซิฟิกบ้างแต่กระจายในตามเมืองต่างแต่นี่อเมริกาเป็นประเทศใหญ่ก็ต่อแม่จะมีวัดทุกต่กวัดก็เ ด, ดูมันน้อยเนื่เพราะเป็นประเทศใหญ่มากก็เลยดูมันน้อยไปคามจริงที่ให้ต่าวัดคือนะและักวงที่ไปเผยแผ่คือว่านักทุกชาวปุ่นไปเผยแผ่ที่ใดมีชาวญี่ปุนป่ น, นอพยพไปตั้งทําเรหาจินที่นั้นก็จะส่งนักพระเข้าไปประจํานิกายต่างๆส่งเข้าไปสอนสอนศาสนา ผมว่าผมทั้งจัดอีกกายชิมผมทั้กจัดในกายเซนเป็นพ่อค้าไปผมก็รายงานไม่เกินบ่นทังกัดจราบทางศงาสนายกประจํา ม, มีการนั้นก็ส่งพระอังตัวไปทุนยวามีสร้างโบดเอาไว้ประจําไว้ในทําเลที่คนญี่ปุ่นอยู่ไปสอศาสนาต่อมาก็าเลยสอนกับท่างฝรั่กฝรั่งอเมริกาให้มารับถือด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ท้าพุทธใส่มหาย ah านเขานะเขาสามารถเอาพุทธศาสนาไปฝังรากไว้แล้วในที่อยูสหรัฐอเมริกา กับประเทศแคนาดาภาคเหนืออเมริกาแคนาดาเนี่ยเป็นประเทศอยู่ทางภาคเหนือของสหรัฐ ก, ก็มีพุทธศาสนาแบบญี่ปุ่นไปฝังรากไว้เนี่อันนี้ก็เป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจที่ชาวพุทธฝ่ายมหายายในญี่ปุ่นเขาทําขึ้นอันในวันนี้ก็ได้ดประมวลประวัติยอดยอเกีเ่ยวกับประวัติพุทธศาสนาทั้งจีนทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นประมวลได้ยอดจากเรื่องทังนี้นะครับอันในภาคต่อไปอีกสองครั้งจะได้พถึงประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศไทยซึ่งเคนจํากัดลนแคบลงมา เพราะวันนั้นเพราะแค่นั้นในวันนี้ก็ขอจดปาฐกถาวั น, นเพียงเท่า น, นี้ก่อนกล่าวว่าเนื้อความในคำพีวิมุตติมารคเป็นอย่างไรและมีต้นฉบับบ้างไหมถ้ามีเป็นภาษาอะไรและจะจัดทําบ้างหรือไม่หนังสือพุทธศาสนาในเมืองจีนอาจารย์ทําเสร็จแล้วหรื อ, อยังเล็บระสูตรดอกบัวขาวมีขายแปลหรื อ, อยังอืจะแปลได้หรือไม่เมธีแปลว่าอะไร อ่าเมทีแปลว่าผู้รู้ผู้ฉลาดครับเมทีนะฮะส่วนอยากทราบเมื่อก่านในคํำพีวิวติมกักคําพีวิวติมักนี่นะเป็นคำพีภาษาบาลีซึ่งสูญไปจากวรรณคดีบาลีของเราแล้วหาต้นฉบับไม่พบแล้วทั้งในลังกาทั้งในพมา่าทั้งในเมืองไทยทั้งในประเทศลาวเขมรอินเดียหาต้นฉบับคําพีวิุติมักไม่ได้แต่ข้อดีที่ว่ามีนักปราชญ์เนเมืองจีนแปลเอาไว้ผู้แปลนะ่ะเป็นพระชาวฟู น, นันคือชาวขอมโบราณ คือว่าพระคัมภรปาละเดินทางไปแจกคำภีรนี้ในประเทศจีนเมื่อพอ 1, ศ1007เจ้ฉาฉบับเป็นภาษาจีนแล้วก็นักปราชญ์ในลังกากับอินเดียเช่นดรบาปัดได้แปลื่อมมือกับนักปราชญ์ญี่ปุ่นที่รู้ภาษาบาลีดีพอกับรู้ภาษาจีนเชี่ยวชาญดีแปลกลับจากต้นฉนบับจีนเป็นบาลีแล้วพร้อมกับภาษาอังกฤษด้วยท่านจะหาอ่านได้ก็จากต้นฉบับบาลีกับอังกฤษ ซึ่มีมาจําหน่ายที่ห้องจําหน่ายหนังสือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคือที่นี่เมื่อกว่าในวินวิวุติมักนั่นนะแต่งแสติน ส, สมาอันธิปัญญาค่ากับวิสุทธิมกักบางทีพุทธโฆษาจารย์ที่แต่วิสุติมักเนี่ยจะเอาแบบจากวิสุติมักมากระดาษเพราะวิสุติมักนะั่นเป็นหนังสือแต่งตอนวิสุธิมกักท่านอยู่แต่งที่อว่าอุปติจจะถ้าอุปติจจะเป็นคนแต่งแสติน ส, สมาอันธิปัญญาลีลาค่าวิสุธิมักมากตัง อ่าสําหรับพุทธศาสนาในมังทีเนี่ยเวลานี้ยังไม่ ไ, มได้ลงรูปเขียนเลยครับเพียงแตรวบรวมหลักฐานนะเองเพียงอีกข้อหนึ่งคือว่าพืชสูตรดอกบัวขาวเนี่ยยังไม่มีใครแปลผมเองก็อยากจะแปลมิจกันแต่เห็นว่าต้นฉบับพืชสกติกเขามีเพราะนั้นป่วยการที่เราใจจากฉบับจริงต่อ ง, งให้คนที่เขารู้แต่ฐานในพืชสกติกแต่จากต้นฉบับพืชสกติดีกว่าพืชสูตรดอกบัวขาวเนี่ย อ่าเลขที่สองสองร้อยห้าฐานบอกว่าให้ช่วยอธิบายถึงพระสัทธมปุริตรกสูตรโดยย่อๆว่ามีใจความว่าอย่างไรบ้างเมื่อคว า, ามในสะัทธมปุริตกสูตรน่ะเราอ่านแล้วก็ไม่เลื่อมสายพูดตรงๆถ้าอ่านยังเงลว่าอ่านนะครับไม่เลื่อมสผมอ่านแล้วก็อย่างนั้นแหละมั น, นยิ่งจะแปลกประหลาดอะไรเลยสื่นิมุลกิตที่เชื่สูตรไม่ได้วิมุลกิตทิ่เชื่อสูตรี่ผมจะแปลเป็นไทยจบแล้วเพราะเพราะรู้สึกตัดซึ้งในลีลาของสูตรนี้ ผมก็เลยลงมือแปลเลยกลายเป็นไทยพเนอยูร้อยแล้วจัดเป็นหลักสูตรในมหาวิทยาลัยสูตรนี้สูตรในในสอนหนึ่งชั่วโมง ม, มหายานถือเป็นหลักสูตรดีกว่าเมื่อก่อนเราจะทำตุ้กระสตรที่เพ้อ่านจะสมบัติแปลเป็นพิไว้นะก็อย่างงั้นแหละเล่มตัวอกักษนี้อักษรใภาษาที่เล็กเกือบกือใจกลางก็ไม่มีอะไรเล่าบอกว่าพระพุทธองค์น่ะแสดงธรรมสั่งสอนกับบรรดาพระภูมิทิศว่าภาวะของพระองค์น่ะอย่างนี้ก็พระองค์จะไปสู่ความดับศูน ในการอนอุปาทิเสนานิพานความจริงภาวะพระองค์งน่ะเป็นทิศเรื่องต้นไม่ปรากฏข้ามกลางไม่ปรากฏเรื่องปลายไม่ปราก ฏ, ากฏที่รพระองค์มาเกิดเป็นเจ้าชิทธัตถะแล้วก็แสดงธรรมอยู่สี่สิบห้าปีก็ถึงมีพานไปเนี่ยเป็นเพียงละครฉากหนึ่งที่รพระองค์แสดงให้เห็นเป็นอวตารอวตารลงมาเป็นเจ้าชิทธัตถะเท่านั้นเองความจริงพระองค์เป็นทุตทะมโนมนานกาลแล้วภาวะพระองค์น่ะเป็นทิศไม่มีการใครผู้ใดจะมาฆ่าเสนได้ แต่พระองค์อวารลมาในโลกนี้เป็นกษัตริย์กษติแสดงทำโปรดสัตวเป็นครรมิกออบายที่จะชักจูงสัตวพ้พนขาแล้วก็แสดงบอกว่าธรรมะในศิจาสณาเนี่แบ่งเป็นตรียานยานานะยอานอนะยอยักยานานะตรียานคือว่าเป็นสาวกกายสองแต่พวกเทวราชสาวกกายสองคนเป็นอรหันต์ปจเกกโพธิยานแอนแต่พที่จะเป็นปจเกกทิพทะและะ้วก็เพธิสตวยานสอนแบบคจะเป็นมหายานเป็นตริยานเดียกัน อุปมานอย่างนี้อุปมามตรยา น, นี่นะความจริงนะทั้งหมดนี่เป็นอุบายอุบายจะเห็นหมนดที่ทรงแสดงให้เห็นแท้ตรยานทั้งสามนี่รวมเป็นเอกยานยันเดียวเอกยานนี่คืออะไรคือพิษยานาากับพระัทว์งองค์มีภาตแห่งกลามเป็นพิษธาอยู่ในตัวหมดแล้วนี่พวกที่คนเป็นพิตุท่านทั้งหลายก็เป็นพุทธาตุเรากเป็นพิษธแต่พิษธาในท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นพุทธาตที่ยังถูกเมฆ บ, บงังเป็นเพชรที่ยังไมเ ทิพทะในองค์อรหันต์หรือในองค์พระเาขาคกเจ้าเนี่ยเป็นทิฏิเจริายเรียด้อยแล้วไฟนั้นทุกคนมีมิพานเป็นจุดหมายปลายทางเพียงแต่ข้ารู้เลย่อนั้นสำหรับพระเทวทัพสิ่งเราปฏิเสธว่าเป็นผู้ทำลายล่างสูงเป็นผู้ที่ทำโวหิตุบาทในสัตว์ที่มิตรศูนยกบอกว่าเทวทัพนี่นัเป็นพลจักองค์หนึ่งมาอวตารเหมือนกันการกระทำของเทวทัพเนี่เพียงแต่อุบายโกหกผมสหรับให้สต์ทั้งหลายเคริบเคลมเห็นไป เือจะได้เห็นโทษทานของวัตตะแล้วจะได้ถ่ายถอนเอาจากวัตตะเอาจากตัวเองออกไปเพราะฉะนั้นพระเทวทัตก็คือพุทธะว่าโดยทาธนะใครมาดีหนึ่งพระเทวทัตว่าพระเทวทัตเนี่ยเป็นผู้ที่ทำร้ายร่างสงก็ดีเป็นผู้ที่ทำโมหิสุบาตเพราะพร ะ, ะถคถาโคตเจ้าก็าดีาการจะทํำทั้งหมดนั้นะล้วนแต่เป็นมายาเป็นมละครฉากหนึ่งที่แท้ยทงทำไม่เห็นทั้งหมด แท้จริงแล้วเป็นพิทะการะทังการกระทําเหล่านั้นพระองค์เป็นภูทิจัดเพ ร, ราะฉะนั้นบรรด า, าพระภูทิจัดทั้งหลายจะเห็นพยามารหรือผู้ทีมาประจนอนะ่ะเพียบตาหนึ่งเหมือนกับบมครูเพราหากว่าไม่ ม, มารือผูม้มาประจนแล้วบารมีพระพธงพ์ษัติ์ัจะไม่เ็นรอบนี่คัตุธรรมในสัทธามบุญฤกษ์ตูมีเนียวกวนสาระย่อๆอย่างนี้ซึ่งท่าทั้หลายฟังวจะเห็นอย่างไบ้างครับจะเห็นว่า หน้าตึงต้นหน้าเ่องใจตึงถึงจะางมีไก่กระเทศอย่างท่านวิเชเรนโชเนียญี่ปุนบาา้างไหมถึงจะสั้างว่าขอความรอบน้อมตรงมีเหมือนในนิสสัทมารุทธิเกตรอย่างเปล่งกมันน้ำมะสัทธมปพุิกาสะตรายะนี่ยนอย า, อยา ง, นงนี้บ้างมาถึงอ่านแล้วเฉยๆไม่มีศรทธาจะแปลบูชาไม่มีกาลังจะจะแปลดิคุกรุงกรนีในในนิกายกายที่วิชาสัทธมาุทธิกษตรเนี่ยแมที่เาใหญ่ตช น, นะ ถ้าใครบางอาจต่วงจาาปฐมมณฑลุึดกสูตรว่าไม่ดีหรว่าไม่รึกซึ่งลวก็ like oh. ปรับโทธิด้จกรล็อกชีนจะบกให้ไม่ใช่เล่นล่ะแต่ละอ่านแล้วเราคุ้นแล้วว่าโศรศิริแต่งพานแล้วมิจิพันธนต่งหลายร้อตแต่งพายลรันิพันธ์ศรนี้อาจารย์องค์ไหนเสียขึ้นกันไม่รู้แต่งแล้วก็อาไปดมจู่ถลายที่โตอดเข้าความนี้เองมีอะไรเฉยๆเล่นๆไม่มีสัญญาจะแปลประการหนึ่งอีกประการหนึ no ่งก็เ no, ป็นขบคิดขมิแล้ว เขาดีแล้วรสุริยสิติเขาตดีกว่า อ, อีกท่านหนึ่งถามมานะครับถามมาบอกว่าพราไตรปิฎกน่นะเวลานี้แปลออกเป็นกี่ภาษาแล้วและตั้งแต่เมื่อไรถ้า ใ, ใครที่ดกเวลานี้ก็แปลออกก็เป็นภาษาอังกฤษจบบริบูรณ์แล้วโดวยสมาคมปริเทคโซไซเอตี้ที่ลอนดอนกําลังแปลเป็นภาษาเยอรมันอยู่ยังไม่เจกดีซึ่ใน AC เอเชียเรานั้นน่ะ ประเทศลาวยังแปลไม่เจบจำได้ว่าเมื่อฉลอง25พุทธศตวรรษเด็จเจ้าส ว, ส ว, ส ว, สวนภู ม, มาได้ถวายหนังสือแก่คณะผู้แทนชาพุทจิตไปร่วมประชุมคือเมืองเยงจันคือแทนประเทศหนึ่งสามเล่นคือพระสูตรเล่นหนึ่งที่นายเล่นหนึ่งอภิธรรมเล่นหนึ่งเวลานี้แปลจบแล้วอยังไม่ทราบพม่าพระเาพีเดกก็เมไม่ได้แปลเป็นภาษาพม่าจบบริบูรณ์แปลแเป็นบางตบางส่วน คำพนชาก็ไม่ได้แปลภาษาคำพูชาโดยบริบวรณแปลเป็นบางตอนบางส่วนสีหงก็ไม่ได้แปลภาษาสีหงโดยเจบบริบวรณแปลเป็นบางตอนบางส่วนที่แป็จเป็นภาษาในชชาติบริบูรณนั้นถึงจะมีแต่ภาษาไทยนีนะครับเจบบริบูณนี่เพราะฉะนั้นเราก็ตื่นใจว่าประเทศไทยชาติไทยนี่มีพวกเราเด็ดภาษาไทยเจบบริบูณคือประเทศเพื่อนร่วมต่างศาสนาที่เป็นตั้งแั่เทววัตนั้น ถ้าตาบิดดกยังไม่ได้ดแปลสืภาษาของเขาจบบริบูรณ์น ะ, ะข้อที่สองตามที่อาจารย์บรรยายมารู้สึกว่าประเทศจีนมีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากแต่สงสัยว่าทําไมชาวจีนส่วนใหญ่ไม่ประสูติภาษาในเรื่องพุทธศาสนาเลยเห็นพระเป็นผู้ประกอบพิธีศพและอื่นๆบ้างก็บ้า ง, างกว่านั้นเท่านั้นอ่าทํ า, ทาหลายทราบว่านะครับว่าพุทธศาสนาหนึ่เป็นศาสตร์อันลึกซึ้งอย่างยิ่งผู้ที่จะเข้าถึงศาสตร์อันลึกซึ้งนี่ยจะต้องมึง ความรู้ภาษาหนังสือต้องดีพอคือว่าภาษาจีนนี่เป็นภาษายากภาษาติดแปลพุทธ่าสนานี่ยเป็นภาษาวรรณคดีคนที่อ่านภาษาอย่างนี้หนึ่งก็ต้องรับการศึกษาในอักษรวทธีอักษรศา ส, สตรของจีนมาอย่างลึกซึ้งดีพอแล้ ว, ว น, นี้จะอ่านหนึ่งอ่านทรซึ่งอ่านเข้าใจหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกพ่อข้าแม่ข้าอาซึ่งอามาพวกนี้มีความรู้อักษศาสตส์ลึขึ้นอยูไ่ไหนไม่รู้ละพวกนี้รู้แต่ว่าได้ภาเหมือนได้เจ้าได้ภาหมือได้ผีแค่นั้นเอง เพราะนั้นเมื่อไม่มีการกลาซึ่งในศาสนาถ้าอ่านถ้าได้รดูก็ไม่ออกอ่านหลักคำงพืชธรรมะก็อ่านไม่เข้าใจอย่างนี้แล้วจังก็ศึกษาเข้าใจภระเศียถูกเชอย่างไรเลยครับเรื่องมันก็งงดีกว่าเรื่องการศึกษานี่แหละถ้าเรายุ่งมีการศึกษาชั้นสูงดีพอแล้วเขาถึงไปเห็นคุณค่าของธรรมะได้นี่ในภาษาไทยเราภาษาไทยเรานี่ยคำพูดในในในภาษาก็ดีหรือว่าอักษรศาสตร์ในภาษาของเราก็ดีรับอิทธิพลจากมาลีสัจปิติมนจากเะวะเพราะนั้นในภาษาไทยเราเนี่ย มันจะภาษาภาษาไทยอะไรซห่งกแค่จบม .3 ม .6 ก็อ่านให้ตานิดหนงนิดหงแล้วมันจะรู้อะไรมากมายเราว่าภาษาพูดเป็นภาษาอินเดียค่อนคอนอยู่แล้วนี่ทำความเข้าใจเองได้ภาษาจีนไม่อย่างนั้นแต่ธุรกิจเป็นอีกภาษาหนึ่งแล้วภาษาจีนมีอิทธิพลทางบลีกุริเตีอเลยขงเขานงเขาโดยเฉพาะเพราะนั้นแปลออกมาก็แปลยาก่ายทอน้องก็มีวันในคดีที่รูยาคนไม่เข้าถึงไม่รู้อ่ภษาไม่จน่านไมเรื่องปัญหาเนอย่างนี้แะครับ ข้อสามถามมาบอกว่าการพัฒนาการด้านจิตใจกับด้านวัตถุอันไหนสําคัญกว่ากันหรืเสมอกันกรุณายกตัวอย่างด้วยมัจฉะปฏิปทาพระพุทธเจ้าตรัสไปกูตพันตะสูตรในบาลีกูตพันตะสูดพระอื่์ได้แสดงแล้วกูตรรพันตะพราหณ์่ะแปลว่าพร า, ามที่มีฟันเขยิบฟันแกจะยื้นออกไปนอกปากมัง้งในชาวบ้านตั้งสัญญายให้แกว่ากูตพันตะในภาษาบาลีแปลว่าฟันเขยิบพราณ์ผูมีฟันเขยิ ครามผู้นี้นะ่ะปกครองเมืองเมืองหนึ่งทึ่พระเจ้าเสรตที่โกศลอุทิตให้เป็นธมมไทยแต่พรามผู้นี้และพรามผู้นี้นะ่ะปราบทกันปราบท ก, การบูชามาหายันที่ต้องการค่าโคโห้าร้อยค่าแพห้าร้อยค่าแก 500, ่ห้าร้อยสังเวยบูชามาหาหยันแต่จะเป็นเพื่อปกครองบ้า น, นเมืองนี้จินตุ๋ยที่พระเจ้าเปรตที่โกศลอุทิศเป็นธมมไทยเพราะฉะนั้นพอรู้จิตจิตศัพร์สขาจะถาขดเจ้าพระเดชมังขับอยู่ในละแวกบ้านใกล้กับเมืองที่จะปกครองอยู่ อุธระทันตะก็มาทูลถามปัญหากับพระองค์ว่าข้าแต่พระโคเดมข้าพระองค์จึงจะบ้านผ่านเมืองเวลานี้ศาสนาจะบูชามหายันให้่ครับถูกแต่ถูกแคะถูกโคอย่างละห้าร้อยวัจะเตรียมทำมหายันใหญ่ะพระองค์จะเห็นเป็นไงเป็นประการใดบ้างท่ะพุทธเจ้าก็ถามแบบพามเอยบัดนี้น่ะโจรผู้ร้ายในชนบททั้งท่านน่ะยังมีอยู่หรือไม่อุตระทันตะก็ทูลบอกว่าโอ้โหเฮียมีมากท่าเจ้าค่ะ ถ้พระองค์ปราบแล้วปราบเล่าก็เหมือนกันหมดส่งกองตะเวนออกไปปราบมันก็หดหัวหายพักนึ่งพอกองตะเวนกลับมามันก็กําโรกบขนอีกพระพิจารณาฐานบอกวามเอ่ยบรรดาพ่อค้าวันิกชาและบรรดาเกษตรกรในชนบททั้งท่านนี้พวกคนยังมีอันจะกินอยู่หรือยังมีทุนในการทํามาหากาขายอยู่หรือยังมีที่ดินในการปลูกทําจะเกษตรกรรมเคียงพออยู่หรือสามูุถุพันธะก็ทูลบอกว่า ไม่เพียงพอคุนโน้นก็ว่างงานคนนี้ก็ว่างงานพ่อค้าคนนี้ก็ขัดคุณไม่มีงานจะทําไม่มีการจะไม่มีเงินจะมุ้งว่าอย่างนั้นพ่านผู้นี้บ่อยข้าอย่างนั้นยังตอนถามท่านดาเพิ่งการลดปูชามหายานเลยท่านจงปรับปรุงเศรษฐกิจพรามเป็นอยู่ยกระดับประชาชนให้อยู่ดีกินดีซะก่อนแล้วค่อยการลดการทําบุญทํากุศลปิชามหายานเถอะทางปุตระพันตะกถาบอกว่าข่าแต่พระโคดม ต่อการเจ็ดระดับมาตรฐานการคลองชีพกับการปราบชีนน้ำคือจะอยู่ไดเนี่ยจะต้องทําประการใดของพระองค์ทึงชี้แจงให้ด้วยเถิดพิจารณาพระองค์ก็ทรงแสดงบอกวามท่านจงให้ทุนแก่พ่อค้านะรัฐบาลเป็นผู้ให้ทุนแก่พ่อค้าแค่ระบบสหกรณ์รัฐมาลให้เงินกับพ่อค้าเอาไปทําทุนแล้วก็ทําได้แล้วก็เอาเอาต้นดอกเส้นทุนมาคืนรัฐบาลถ้ากาไรทําไม่ได้กําไรก็ยกให้ประการหนึ่งจงให้ที่ดินแก่ผู้ต้องการที่ดินแบ่งจัดสรรที่ดินให้ แต่บรรดาเกษตรก ร, กรชาวนาชาวสวนให้เขามีที่บินจะทำมาหากินได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจนพิร้ายจะห น, นไีไปเองเพราะการที่มีจนพิร้ายนะี่ยเพราะคนว่างงานคนได้อาชีพคนพ น, นักงานจราจัดจรจะพิร้ายที่หนีถ้าจัดงานทุกคนทำทุกคนมีงานทำมีงเงินใช้เช่นนี้แล้วจนพิร้ายจะอันตรายกในตัวใอ้กุฏิธรรมจะไปทำอย่างนี้เห็นขึ้นต่คนไหรื อ, อยังครับพระคุณเจ้าพระผู้เป็นเจ้ า, า, จานก้าวหน้ า, นายาิ่งกว่นักสังคมนักบริหาร น, นักเศรษฐศาสตร์ไหนไหนไหยุดซ เพื่อพิชาสังคมศาสตร์มาตั้งแต่ก่อนหน้าบรรดานักสังคมจะเกิดขึ้นในเล่ม ป, ปีสองพันกว่าปีอันนี้เราเกิดมาเป็นชาวพุทธเราภาคภูมิใจแทนภาษาสระดาของเราแต่าภาษาสรดาวของเราเนี่ยมีสายตาไกลผมนับเป็นสพนจริงๆแต่ทรงสังขีนี่นเวลานเนี่ยกรัฐบ า, าลทุกแห่งก็ต้องกันจัดสังขีดินให้รัฐบ า, า, ามีอันจะกินเมือที่ดินจะใช้เนี่ยทุกคนเมียขุนจักรพรรดมาแล้วสอนทางกุฏิพันตร์ตาทมาแล้วขุนพันตรตาก็ไปทําตามพุทธโอวาท ไม่ทำตามไม่ช้าเออได้ผลทุกคนมีการงานทำพ่อข้ามีทุนรอนใช้หมูเงินเลยคับทุนฮะที่นีปารตนาที่ดินที่ดินทํจริงเจ้าพี่ร้าไม่มีมีใจหัวเลาะร่า่าเต่าพี่เจ้าบอกข้าตอนนี้โคดมได้ผลแล้วพี่เจ้าขาเจ้าเอกสารแบบนี้เออได้ผลยังไะไรา่าไปสิ่ากระชุนบอกพี่เจ้า่ะบัตรนี้นะชนบทของข้าะองนี่ลาบคาบไม่มีเจ้าี่รายเลยมารดายังบิดเทฟอนกระสีโอได้ สนุกสนานบ้านเรียนไม่ต้องเรียนดิ้นสลับเบอร์ได้หน้าต่างโอง้ประตูหน้าต่างเบอรทิ้งไวก้กลงคืนนอนหลับสบายมมีเกณ น, น่เพราะนั้นถึงเวลาถึงควรแล้วอย่างพระเจ้าค่ะที่ข่าพระองค์จะปรารบการทำบุญบูชามาหายันว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้ากตรัสบอกว่าผมควรแล้วคมแต่การบูชามาหายันในอรรยวินั ย, ยน่ะเขาไม่ทํากันอย่างท่านท่านล็อกเพราะการทากันอย่างท่านท่านนี้น่ะาสิงาสาเาต้งนังตานองหน้า เขต้องเขี่ยเข็มไปมาทการงานกว่าตหนะักสองสัตท้หลายก็ต้องกัวภัยน้ำตานองหนะ้าเพราะนั้นการบูชายัญอย่างอริยในนะ่ะเขาไม่ทำอย่างนี้อุตตะคัจฉามบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ทํากันยังไงผู้ึกเจ้าค่ะพระองค์ก็บอกว่าให้สมาทานถึงห้ากอเพราะตั้งอยู่ในสีลเมื่อตั้งอยู่ในศีลบันเพ่งทานเนะมื่อันเพ่งทานแล้วก็ให้บําเพ่งแผ่เมตตาให้เป็น อ, อนุสิกขานาแผเมตตาไม่มีขอบเขตเป็นัมัญาภาวนา สอนเป็นขั้นขั้นกระทั่งการเงินเพิ่มจตกระชากเป็นระดับชั้นกระทั่งนอนไปเพื่ออาสวะในที่สุดแม้พอสอนจบอุตธกรรมแสดงครามรืมสายหมอไทยเลาะนักเจ้าค่ะไทยเลาะนักเจ้าค่ะพระองค์แสดงธรรมนุ้หน um ึ่งอย่างของความให้งายขึ้นพระหนึ่งตามพระที่เป็นคนที่ร้ยจักสุูนพระหนึ่งตามพระที่ไม่ที่มือขอพระองค์เป็นจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกถึงพระพุทธธรรมประสง์เป็นตรรมะตราบขั่วชีวิตหลักในสิ่งอุหกรรมตรนี้แสดงเห็นว่าทางพุทธศาสนานี่ เป็นทางสายกลางถือว่าทั้งวัตถุและจิตใจสำคัญเท่ากันหมดต้องพัฒนาผู้เคียงกันไปนี่อันนี้เป็นหลักในการตอปัญหาข้อนี้นะครับ อ, อีกข้อหนึ่งท่านกันโตสิโลพิขุถามมาว่าอ่าบิดามารดาจับว่าเป็นผู้มีคุณกระดกมากอยากทราบว่าบิดาจักมารดาทั้งสองนี้ใครมีคุณมากกว่านี่เหตุผลอย่างไรบ้างในภาษาบาลีนะ่ะใช้คำมาตาปิจู ในบาหลีนนลมุกคลัสกุลก็บ า, า, า ต, ตาปิจูอุปทานันจุติภารสันเขาโฮไม่มีพิจูมาตาไม่พบเพราะฉะนั้นตามนักษนะของลีลาวายากรในท่านใช้มาตาขึ้นหน้านะ่ะจะเป็นเครื่องแสดงเห็นว่าคุณคระมารดามากกว่ากระมัมงในตามควาเข้าใจของผมนนะครับเพราะว่ามารดาเป็นผู้ทอ2ี่เดือนมารดาเป็นผู้หลังฤทิในอกกันก็นน้ำมนมทีขออกินนี่แล้วมารดาเีใกล้ชิดกับบุตรนิจกบิดาเาเป็นผู้ที่ประคับมือมบุตร จานั้นว่าโดประมาณอยางน้ำหนักแล้วคุณของมารดามนีมากกว่าบิดาหนีมากกว่าครับผมว่านะนีมากกว่าในบาลีท่านชายเข า, ามาตาปิตุไม่มีปิสุมาตาไม่มีไม่เจอเลย <c oughs> มีแต่มาตาปิตุทั้งนั้นในบาลีนะฮะและบิดามารดาที่ไม่ตั้งใจจะให้บุตรมา และเมื่อเกิดมาแล้วก็ไม่อุปถรัรมภ์เลี้ยงดูและไม่รับอยากเป็นลูกอยากทราบว่าบิดามารดาเช่นนี้ยังจัดว่ามีคุณกระดุกหรือไม่ถ้าหากว่ามีคุณมีอย่างไรบ้างขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ละเอียดด้วยอามีคุณที่ครับเพรา อ, อย่างน้อยถึงแมต้ตอไม่ตั่นใจจะให้เกิดก็ตามแต่เมื่อก็เป็นเครื่องช่วยให้ปฏิบัน้าที่วิญญาณเราได้แอบแฝงมาถืกอกำเนิดในบัญญัติฐานใช่ไหมล่ะถ้า ม, มีกัลละักษณของบิดาเราจะโผล่ออกมาได้ไหมไม่ได้ กัลละปัทมังกัลลังโหติในบาหลีก็มีได้แล้วกัลมารูปเนี่ยคือนนมอา้าอสุจิของป่ายชาได้ตั้งขึ้นแล้วปัทมังกรลลังโหติอย่างเนี้ยถ้าวันนี้ปัทมังกัลลังโธติมุดมาจากตัวชาแล้วแล้วก็ปัจจุบันนีน้นเราจะแอบแสงอาศัยฝากเราไปเกิดลราเพราะฉะนั้นคุณมบิาดาข้อนี้นเบื้องหแหละคุณน้ามานด า, นาเดือนสองน้ำมั น, นมาอุ่นท่องิสต์เดือนไม่ใช่ละพอเราตั้งมีข า, าสแค่สงเดือนก็ เอาไปกินยาถ่ายให้มันหลุดมาเสียถ่ายมาันมันเถืคนอนออกมาเสียอย่างนี้ถึงแ่าจะหนึ่งบนคุณมี่บนคุณตอนที่ว่ยเราทิ้งสิบเดืน อ, อนในท้องยี่สิบเดือนเต็มเต็คลอดออกมาถึงแม้จะทิ้งข้าวบบเรื่องเลวก็ยังมีคุณแน่แน่ที่ว่าช่วยกระชับเป็นหนึ่าชีวิตเราให้สมบูรณล่างครบดอาการทันทีสองเธอมาอดีลาเลยทำไปขนาดแล้วปกติคนที่กินยาเราจะไม่มีโอ ก, กาสผลมาเป็นในเป็นมันจะขนตะโลกไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นคุณอีกขั้นหนึ่งเพราะนั้นคือบนคุณครับ ไม่แน่ครับใ่แง่นี้ท่านผู้หนึ่งถามมาอีกว่าชื่อพระพุทธเจ้าชื่ออะไม่ आ,